วันนี้คล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อเทียนจิตสุโภนะถ้าท่านมีอายุถึงวันนี้ก็ร้อยห้าปีนะท่านมารณภาพแต่ที่จริงท่านมารณภาพตั้งแต่เมื่อ28ปีที่แล้วนะปี31หนึ่งดูเหมือน mm hmm. เพิ่งไม่กี่ปีมา น, นี้เองนะ แต่ว่าเวลาก็ผ่านไปเร็วหลวงพ่อเทียนะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคำเขียนหนะรือว่าเป็นอาจารย์คนเดียวก็ว่าได้นะท่านเป็นพระที่มีวิธีการสอนที่แปลกจุดมุ่งหมายนะท่านก็มุ่งไปที่การทำให้คนเนี่ยหายจากความหลง เพราะความหลงนี่มันทำให้คนทุกข์นะทุกข์ทั้งทางโลกแล้วก็ทุกข์ทั้งทางธรรมวิธีการสอนให้คนเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงนี่ก็ท่านก็สอนไม่เหมือนใครนะท่านคิดคนวิธีการยกมือสร้างจังหวะหรือว่า เดินจงกรมโดยเน้นเรื่องความรู้สึกตัวซึ่งที่จริงก็มันก็ตรงกับที่พูะเจ้าได้สอนไว้นะในหลักสติปัฏฐานสแต่นอกจากการสอนเรื่องสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยการสอนให้คนพ้นจากความหลงอีกอย่างหนึ่งที่ท่านทำอยู่บ่อยนะโดยเฉพาะในช่วงที่ท่าน อ, อายุยังไม่มาก ก็คือให้พ้นจากความหลงงมงายหลงมันมีหลายแบบนะหลงเพราะไม่รู้ตัวอันนี้ก็อันหนึง่งหลงเพราะไม่รู้ความจริงก็อันหนึง่งหลงเพราะไม่รู้คุณรู้โทษหรือว่าผิดชอบชั่วดีก็อันหนึง่ง หลงงมงานในที่นี้ก็หมายถึงว่าการหลงในประเพณีโดยที่ไม่รู้จักความหมายไปติดยึดกับประเพณีจนกระทั่งลืมสาระที่แท้จริงอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ความจริงนะแล้วก็ไม่รู้คุณไม่รู้โทษนะไม่รู้ประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ มีขาวหนึ่งหลวงพ่อท่านไปเมืองลาวแล้วก็ญาติโยมก็นิมนต์ท่านกับพระลูกอื่นให้ไปสวดต่ออายุทำบุญพ่อแม่ท่านก็ไปนะแต่ว่าไม่ได้สวดพระลูกมันก็สวดไปท่านก็เงียบพอสวดจบเจ้าภาพก็ถวายปัใจจัยให้กับพระที่สวดนะแต่ว่าไม่ถวายท่านนะท่านก็ไม่ว่าอะไร เสลท่านก็คุยกับเจ้าภาพว่านะการต่ อ, อยุคพ่อแม่เนี่ยที่ดีที่สุดคือการทําดีกับท่านไม่ใช่การนิ ม, มนต์พระมาสวดนะและท่านก็ชวนนะให้เจ้าภาพก็คือลูกเนี่ยนะทำดีกับพ่อแม่เริ่มต้นด้วยการกราบท่านนะกราบด้วยความสํานึกในบุญคุณทนะ้าไม่ได้ชวนเดียวนะท่านกราบให้ดูด้วย หรือท่านกราบแรบเชวนให้ลูกๆเนี่ยกราบตามท่านชาว บ, บ้านก็ตกใจนะเพราะเห็นพระกราบโยมท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้กราบโยมไม่ได้กราบพ่อแม่ของเจ้าภาพท่านกราบตัวเองนะที่สามารถจะชักชวนให้เจ้าภาพเนี่ยเห็นว่าการต่ออายุพ่อแม่ที่ดีสุดนี่คืออะไรนะ คือคนส่วนใหญ่ก็เวลาพูดถึงการต่ อ, อยุพ่อแม่ก็เป็นนึกถึงเรื่องพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะรวมทั้งการนิ ม, มนต์พระมาสวดแต่ว่าไม่ได้เห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยการต่ อ, อยุพ่อแม่ที่ดีสุดคือการทําดีกับท่านทําดีกับท่านด้วยความสํานึกรู้ในบุญคุณของท่านรวมทั้งการทําดีกับตัวเองด้วยนะประพฤติตัวเป็นคนดีนะลูกที่ทําตัวเป็นคนดีเนะี่ยพ่อแม่ก็จะอายุยืนเนี่ ได้มากกว่านะไม่ต้องมากลุ้มใจพาอลูกทำตัวเก๊กมเมื่อไรเ ก, กเรติดยาหรือเป็นผู้ร้ายเนี่ยนะหรือติดเหล้าติดการพนันนี่พ่อแม่คนไหนมีลูกติดเหล้าติดการพนันนี่ก็อายุสั้นนะหรือว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นะด้วยความกลุ่มใจอีกคราวนึงนะอันนี้ที่เมืองไทยแล้วโยมก็นิมนต์ท่านไปอ่า ทำน้ำมนต์ปกติเวลาทำน้ำมนต์เนี่ยก็ต้องใช้บาตรนะแต่ถ้าไม่เอาบาตรนะท่านบอกว่าเอาการะลำมังมาแล้วก็เติมน้ำให้เต็มพอทำน้ำมนต์เสร็จนะท่านก็บอกว่าเนี่ยให้เอาน้ำในกระลำมังเนี่ยสาดไปทั้งบ้านเลยแล้วก็ให้ถูแล้วถูให้สะอาดอย่างนี้แหละเป็นมงคลกว่านะไอ้พรมน้ำมนต์เนี่ยนะ หญ้าหรือใบไม้นะมันอาจจะมีพิษก็ได้พรมน้ํามนต์แล้วก็อาจจะทําให้เกิดผื่นคันต้องไปหาหมอรักษาอีกนะอย่างนี้จะเป็นมงคลได้อย่างไรนะที่ท่านสอนแบบไม่ประนีประนอมเลยนะแทนที่จะให้แทนที่จะพรมน้ํามนต์จากจากบาสนี่ท่านใช้วิธีเอาน้ําในกาละมังสาที่ทั่วบ้านเลยนะเป็นการทําความสะอาดบ้านนะอย่างนี้หลยจะเป็นมงคล หลายคนก็ไม่เข้าใจนะแต่คนที่เข้าใจท่านออตาสว่างก็มีนอกจากเรื่องพิธีกรรมแล้วก็เรื่องวัตถุมงคลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ท่านอสอนไม่เหมือนใครมีค่าวนึงมีหมอคนหนึ่งนะที่ดูแลท่านนะท่านเป็นมะเร็งนะตอนในช่วงท้ายของชีวิตเนะี่ยท่านเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารหมอคนนี้ก็เกง่งก็เก่งนะะหมอคนนี้ก็มีภักเครื่องนะ วันหนึ่งก็เอาพระนางพญาพิสมุโลกเนี่ยมาให้หลวงพ่อดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระองค์นี่นะพระเครื่องเนี่ยเก่านะอายุต้องเจ็ดร้อยปีเนี่ยหลวงพ่อก็ถามว่าพระเครื่องเนี่ยทำจากอะไรหมอก็ตอบว่าทำจากเนื้อดินแล้วก็มีแร่ธาตุหลายอย่างสวยนะเนี่ยเนื้อแกร่งสีน้ำตาลท่านก็บอกว่า ดินที่ไหนที่ไหนเนี่ยมันกเกิดมาพร้อมกันนะเมื่อเมื่อสร้างโลกนะดินของพระเครื่องนี้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เก่าแก่ไปกว่าดินที่เราเหยียบอยู่หน้าบ้านนะก่อนจะเข้ามาบ้านนะพอพูดอย่างนี้ท่านหมอนี่อึ้งเลยนะไม่ได้คิดมาก่อนนะไปอวดว่าโอ้ยดินนี่เก่านะภาคเครื่องนี่เก่าเจ็ดร้อยปีพอท่านบอกว่ามันก็ไม่ได้เก่าไปกว่าดินที่เหยียบอยู่หน้าบ้านหรอกนะ ก็ตาสว่างเลยนะอีกคราวหนึ่งก็มีคนมามาถามท่านว่าแขวนพระเครื <c oughs> ha, ่องดีไหมมาถามท่านท่านก็บอกว่าดีนะแต่ถ้าของดีกว่านี้เนี่ยจะเอามาั้ยแกก็งกงเหมือนกันนะแขวนพระเครื่องก็ดีแต่ว่าไอ้ที่ดีกว่านั้นจะเอามาั้ยนะหมายถึงอะไรนะก็หมายถึงพระในใจเรานี่แหละนะ พระในใจที่เกิดจากการปฏิบัติหรือธรรมะในใจนะที่เกิดจากการทำความดีหรือพระสงฆ์ในใจเรานะที่เกิดจากการปฏิบัตินะตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเมืมีคราวนีก็มีโยมาอวดว่าเนี่ยมาถามท่านว่าพระเครื่องที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะก็บอกรุ่นมานะ ก็ถามว่ามันขลังจริงหรือเปล่านะท่านก็ไม่ตอบตรงๆนะแต่ถามว่าคนทำพักเครื่องเนี่ยองค์เนี่ยตายหรือยังเขบอกตายไปนานแล้วนะหรือที่จริงต้องบอกมรณะภาพเปนานแล้วเพราะว่านี่เป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคนแล้วท่านก็เลยตอบว่าอแม้แต่คนทําพระเครื่องนี้ยังตายเลย นะแล้วจะไปหวังว่าไอ้คนที่มีพักเครื่องนี่นะจะไม่ตายได้อย่างไรนะคือปกติเวลาพูดถึงความขลังของพักเครื่องเราคิดว่ามันจะช่วยทำให้อยู่ยงคงกับพันนะแคล้วคลาดจากอันตรายนะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ยงแค่ไหนนะมันกไ็ไม่มีวันคงกับพันนะก็ต้องตายนะเพราะคนทำอย่างตายเลยให้คนห้อยจะไม่ตายได้อย่างไรนะ ว่าถึงแม้จะแคล้วคลาดจากอันตรายนะในสุดก็ต้องตายนะไม่ตายเพราะอุบัติเหตุก็ตายเพราะมะเร็งนะหรือว่าตายเพราะาเส้นเลือดในสมองแตกเนะี่ยหรือว่าหัวใจวายเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านก็พูดให้คิดนะในคำสอนหลวงพ่อท่านจะไม่ค่อยไม่ค่อยอไม่ค่อยประณีประนอมเท่าไหร่นะพูดตรงตรงนะ แล้ที่ท่พูดนี่ก็มันก็เป็นธรรมะนะมีเหตุมีผลอันนี้ก็เรียกว่ามุ่งทําให้คนเนี่ยคลายจากความหลงนะหลงงมงายหลงงม ง, งายคือให้รู้ความจริงนะให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรที่มันเป็นของปลอมนะอะไรที่เป็นกระพี้อะไรที่เป็นแก่นเนี่ยพิธีกรรมนี่มันก็ดีนะแต่ว่ามันเป็นกระพี้นะ ถ้าไปยึดติดมันมากเนี่ยไปคิดว่าทำแล้วจะมีความสุขความเจริญมันก็จะกลายเป็นความหลงได้แต่ถ้าทำเพราะรู้ว่ามันมีประโยชน์นะที่ช่วยทำให้เกิดความพร้อมในการทำความดีอย่างเช่นจะถวายสังฆทานก็มีพิธีกรรมสักหน่อยนะมีการรัธนาศีลแล้วก็มีการกล่าวคำ ถวายสังฆทานไอ้ส่วนนี้เป็นพิธีกรรมซึ่งก็มีประโยชน์นะก็คือเป็นการเตรียมใจผู้ถวายให้สงบเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยจิตก็เป็นกุศลง่ายนะเกิดความปิติปราโมทเพราะการถวายทานเนี่ยก็ง่ายขึ้ น, นใจที่มีปิติใจที่มีปราโมทเนี่ยนั่นแหละคือบุญแล้วล่ะแต่ถ้าถวายตอนที่ใจมันยังว้าวุ่นเนพิ่งเสร็จงานเพิ่งก็คือกระหอะมานะ ลงจากรถรีบมามาถวายเนี่ยใจยังไม่เป็นกุศลดีนะเพราะว่ายังไม่สงบอันนี้ก็ได้บุญน้อยนะแต่จะไปเข้าใจว่าพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นสาระนะบางคนก็ไม่สบายใจนะจะถวายสังฆทานแต่ว่ากล่าวคำถวายสังฆทานไม่ได้หรือว่าไม่มีใครทำพธิธีรับศีลเนี่ยจิตใจก็เลยเศ้าหมองไปคิดว่า บุญได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะไอ้ที่จริงไม่เกี่ยวนะไอ้บุญมันเกิดขึ้นตอนที่ว่าก่อนถวายเนี่ยใจเป็นกุศลไหมถวายเสร็จใจนี่มีปราโมทนะมีความปิติไหมคุณภาพจิตก่อนระหว่างแล้วก็ถวายเนี่ยนะอันนี้แหละนะคือตัวสาระนะถ้าถวายแต่ว่าใจลอยไปนึกถึงลูกนะไปนึกถึงงานที่ยังค้างอยู่นะหรือไปนึกถึงคนที่เพิ่ง ด่าเรามาเมื่อสักครู่เ น, นี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่ได้บุญหรอกถึงแม้ของจะถวายของที่ถวายจะราคาแพงแค่ไห น, นพิธีกรรมมันทำหน้าที่นี่แหละก็คือทำให้ใจเราสงบเป็นการเตรียมใจให้พร้อมให้เกิดความพร้อมเพียงกันอันนี้พอคนไปพอคนไม่รู้นะก็ไปยึดติดพิธีกรรมถ้าไม่ทำแล้วจิตใจจะไม่สบายจะมีความกังวล หรือพอจะถวายพอจะทำบุญพ่อแม่ก็คิดแต่เรื่องพิธีกรรมจัดงานใหญ่แต่ว่าไม่ได้คิดที่จะทำดีกับท่านไม่ได้คิดจะทำตัวให้ท่านสบายใจนะอันนี้เราก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเทียนนะการสอนแบบตรงจุดตรงประเด็นเพื่อให้หลุดจากความงมงายนอกเหนือจากการสอนที่มากกว่านั้นคือการสอนให้ให้พ้นจากความหลงนะหลงที่มันเป็นอวิชชาเนี่ย เพราะไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับกายและใจเกี่ยวกับตัวเองเนี่ซึ่งอันนี้ก็อาศัยการภาวานานะสติปัฏฐานแล้วก็เต